ข้อความในคัมภีร์มหานิเทศวันนี้มาขึ้นชราสุตตะนิเทศที่หกว่าด้วยเรื่องชราในหน้าหกร้อยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า <c oughs> ชีวิตนี้น้อยหนอมนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปีแม้หากว่ามนุษย์ใดย่อมเป็นอยู่เกินไป มนุษย์ผู้นั้นย่อมตายเพราะชราโดยแท้แหละก็ชีวิตของมนุษย์เนี่ยน้อยจริงๆอ่ะนะก็ไม่เกินร้อยปีอยู่แล้วถึงใครจะอยู่เกินก็อยู่ได้อีกไม่นานอ่ะนะอย่างไห้ก็ตายเพราะชราอีกอยู่ดีคือเรื่องเนี้ยเขามีอุบาสกคนหนึ่งอ่ะนะลูกเขาตายตั้งแต่เป็นหนุ่มเขาเสียใจมากฝงก็เลยแสดงธรรมเนี่ยว่าชีวิตเนี่ยน้อยอย่างนั้น ก็บอกว่าน่าจะอายุยืนกว่านี้นะถึงอายุยืนกว่านี้มันก็ไม่เกินร้อยปีมันก็ตายอยู่ดีนั่นแหละไม่ตายวันนี้มันวันหลังก็ตายอีกอยู่ดีนั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตมันมีความตายเป็นที่สุดรอบอยู่แล้ว <c oughs> ซึ่งภาษาริบ ท, ท่านอธิบายคืออธิบายก็คือนิเทศะนะว่าคำว่าชีวิตนี้น้อยหนอก็มาดูคำว่าชีวิตก่อน คำว่าชีวิตนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอายุนะถ้าถามว่าอายุเท่าไรก็คือชีวิตเนี่ยเท่าไหร่เท่าไรนี่แปลว่าผ่านไปเท่าไรแล้วถ้าถามว่าผ่านไปเท่าไหรก็บอกว่าเท่ากับรู้ว่าเหลือเท่าไหรเพราะว่าอายุ60สิแสดงว่าเหลืออีกไม่นานแล้วเหลือไม่มากแล้วมันชีวิตได้แก่อายุนะถ้าใช้คำว่าอายุก็คือแทนชีวิตถ้าใช้คาว่าชีวิตก็คืออายุ ความตั้งอยู่ความดำเนินไปความให้อัตภาพดำเนินไปความเป็นไปความหมุนไปความเลี้ยงความเป็นอยู่ชีวิตตินสีเรียกว่านะตัวที่รักษาวิบากและกรรมมชรูปนั่นเองนะอันหนึ่งชีวิตนี้น้อยคือชีวิตเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวด้วยเหตุสองประการนะนะคือชีวิตนี้น้อยเพราะตั้งอยู่น้อยชีวิตนี้น้อยเพราะมีกิจน้อย ชีวิตท <Alleg aba. S 1> yes ี Maybe, ่มีน้อยเนี่ยตั้งอยู่น้อยเพราะว่าขณะที่มันดำรงอยู่เนี่ยน้อยมากชีวิตเนี่ยน้อยในที่สองก็คือปัจจัยแห่งชีวิตเนี่ยน้อยเกินไปเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันดำรงอยู่ด้วยปัจจัยนะเมื่อปัจจัยมันน้อยชีวิตมันก็น้อยไปด้วยถามว่าชีวิตน้อยเพราะตั้งอยู่น้อยอะอย่างไรตอบว่าชีวิตนี้เป็นอยู่แล้วในขณะจิตอดีต ย่อมไม่เป็นอยู่ในขณะจิตปัจจุบันจกไม่เป็นอยู่ในขณะจิตอนาคตเนี่ยนะคือชีวิตในอดีตเนี่ยนะคือมันเคยเป็นสำนวนว่าเคยมีชีวิตอ่ะนะเพราะในอดีตไม่ใช่ขณะเดียวกันกับปัจจุบันไม่ใช่ขณะเดียวกันกับอนาคตเพราะนนั้ชีวิตในอดีตก็คือชีวิตที่เคยเป็นเคยมีหรือพูดเเคยมีชีวิตอ่ะนะก็เหมือนกับพูดแบบ คนคนเคยปูย่ย่าตายายรุ่นก่อนๆของเราทั้งหลายเคยมีชีวิตน่ะใช่แต่ขณะนี้ไม่ใช่กำลังมีชีวิตไม่ใช่จักมีชีวิตแต่เคยมีชีวิตหรือว่าชีวิตเนี่ยจักเป็นอยู่ในขณะจิตอนาคตย่อมไม่เป็นอยู่ไม่เป็นอยู่แล้วพูดถึงชีวิตในขณะอนาคตเนี่ยนะมันก็เป็นอยู่เฉพาะขณะอนาคตแหละมันไม่ใช่อดีตไม่ใช่ปัจจุบัน ส่วนชีวิตย the well ่อมเป็นไปอยู่ในขณะจิตปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นอยู่แล้วในอดีตจักไม่เป็นอยู่ในอนาคตซึ่งกล่าวว่าชีวิตนี้แต่ละขณะนี่ก็ชีวิตอดีตก็อย่างหนึ่งชีวิตอนาคตก็อย่างหนึ่งชีวิตปัจจุบันก็อย่างหนึ่งคนละอย่างคนละอย่างไม่ได้มีความปะปนกันนะนะแต่กล่าวนะว่าชีวิตตอนที่เราอยู่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็อีกชีวิตอย่างหนึ่งชีวิตที่ดำรงอยู่ขณะนี้ก็อย่างหนึ่งขณะต่อไปก็อีก อย่างหนึ่ ง, งนั่นนชีวิตถ้าแยกไปแล้วก็เอาแต่ละขณะจิตก็ได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งมวลเป็นธรรมะประกอบกันเสมอด้วยจิตดวงเดียวขณะย่อมเป็นไปพลันนะคือชีวิตนี้ก็คือขณะจิตแต่ละขณะแต่ละขณะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วเทวดาเหล่าใดย่อมตั้งอยู่ตลอดแปดหมื่นสี่พันกับ แม่เทวดาเหล่านั้นย่อมไม่เป็นผู้ประกอบด้วยจิต <Cait target> สองดวงเป็นอยู่เลยไม่ ambling. ว่าใครก็ช่างเถอะดำรงอยู่ด้วยจิตทีลักษณะทีลักษณะทีลักษณะเท่านั้นแหละถ้าว่าแบบหยาบหน่อยนะชีวิตขณะเห็นก็ขณะหนึ่งชีวิตขณะได้ยินก็ขณะหนึ่งชีวิตขณะรู้กลิ่นก็ขณะหนึ่งชีวิตขณะรู้รสก็ขณะหนึ่งชีวิตขณะรู้รับโภทะภะก็ขณะหนึ่งชีวิตขณะนึกคิดก็อย่างหนึ่ง ชีวิตขณะรู้สีขาวก็อย่างหนึ่งชีวิตขณะรู้สีเขียวก็ขณะหนึ่งขณะรู้สีแดงนะก็แยกไปแล้วคนละขณะคนละขณะคนละขณะแต่ละอย่างไม่ได้ปะปนกันเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันไปอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็ไม่มีใครดำรงอยู่พร้อมกันด้วยจิตสองขณะนะจิตจะเกิดได้ทีละขณะมันมีชีวิตอยู่ทีละขณะทีละขณะเป็นไปขันเหล่าใดของสัตว์ทั้งหลายที่ตาย หรือของสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงอยู่ในโลกนี้ดับแล้วขันเหล่านั้นทั้งปวงเป็นเช่นเดียวกันดับไปแล้วมิได้สืบเรื่องกันขันอดีตไม่ได้ปะปนในขันในปัจจุบันขันในปัจจุบันก็ไม่ปะปนกับขันในอนาคตถือว่าคนละอย่างคนละอย่างไปขันเหล่าใดแตกไปแล้วในอดีตเป็นลาดับและขันเหล่าใดแตกไปแล้วในอนาคตเป็นลาดับ ความแปลกกันแห่งขันทั้งหลายที่ดับไปแล้วในปัจจุบันกับขันเหล่านั้นมิได้มีในลักษณะนะคือลักษณะความแตกความเสียหายเนี่ยนะของขันในอดีตของขันในอนาคตกับของขันในปัจจุบันไม่ต่างกันเหมือนกับถ้าเราเจริญมรณานุสติเนี่ยนะว่าคนที่ตายในอดีตเนี่ยนะความตายในอดีตความตายในอนาคตกับความตายที่กาลังเป็นอยู่เนี่ยต่างกันตรงไหนมันก็ไม่มีความต่างกันนั่นแหละ เหมือนกับว่าความอิ่มเมื่อวานกับที่จะอิ่มพรุ่งนี้กับความอิ่มในวันนี้เนี่ยนะต่างกันไ้ยในความอิ่มโดยลักษณะก็ไม่ต่างกันนะหรือมาปวดหัวเมื่อวานปวดหัวพรุ่งนี้ปวดหัวขณะดนี้ไม่มีความต่างกันเพราะว่าสภาวะธรรมทั้งหลายไม่มีความต่างกันโดยลักษณะนะนะรูปก็มีลักษณะสลายไปเวทนาก็มีลักษณะสเสวยอารมณ์สัญญาก็จาอารมณ์สังขารก็ ก็ต้นตัวนัชชวนสัมปยุตรธรรมขึ้นสู่อารมณ์วิญญาณรู้แจ้งอาดมซึ่งขันเหล่านี้เนี่ยนะมันจะอยู่ที่ไหนมันก็มีลักษณะอย่างนี้เสมอไปมเมื่อลักษณะแต่ละอย่างเนี่ยนะที่แตกทำลายไปมันจึงไม่มีความต่างกันสัตวตีย่อมไม่เกิดด้วยขันอนาคตแต่ว่าย่อมเป็นอยู่ด้วยขันในปัจจุบันนี่แหละ สัตว์โลกตายแล้วเพราะความแตกแห่งจิตนี้เป็นบัญญัติทางประมัติเนี่ยนะถ้าจุติจิตแตกทาลายไปก็เรียกว่าตายใช่ไหมขันทั้งหลายแปรไปโดยฉันทะย่อมเป็นไปดุดน้ำไหลาตามที่ลุ่มฉะนั น, นเนี่ยนะคือน้าเนี่ยมันไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดใช่ไหมขันทั้งหลายมันก็แปรไปอย่างนั้นย่อมเป็นไปตามวาระอันไม่ขาดสายเพราะอายตนะหกเป็นปจัจจัย ถ้ากล่าวถึงตัวชีวิตนะชีวิตก็มีอายตนะ6เนี่ยเป็นปัจจัยตาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การเห็นเนี่ยนะฉะนั้นชีวิตก็คือขณะเห็นขณะได้ยินขณะรู้กลิ่นรู้รสรู้โภตพภะแล้วก็นึกคิดเนี่ยนะฉะนั้นอายตนะคือตาก็เป็นเป็นปัจจัยแก่ชีวิตขณะเห็นอายตนะคือหูก็เป็นปัจจัยแก่ชีวิตขณะได้ยินอายตนะคือจมูกก็เป็นปัจจัยแก่ชีวิตขณะรู้กลิ่นอายตนะคือเ้นก็เป็นปัจจัยแก่ชีวิตขณะรู้รสเนี่ยนะ อายตนะคือกายก็เป็นปัจจัยแก่ชีวิตขณะรูปโภถภะอายตนะคือพวังหรือมโนก็เป็นปัจจัยแก่ชาวนะคือความคิดทั้งหลา ย, ยามันก็เป็นไปตามร ะ, ะวาระกันนะนะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแต่รัฐวานแต่รัฐวานที่สืบเนื่องกันไปขันทั้งหลายแตกแล้วถึงความตั้งอยู่ไม่ได้กองขันไม่ได้มีในอนาคต ขันทั้งหลายที่เกิดแล้วนั่นแลย่อมตั้งอยู่เหมือนมเมล็ดพันธุ์ผักกาดตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมฉะนั้นชีวิตเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าตั้งคําถามว่าชีวิตของเราเนี่ยนะก่อนจะมาเกิดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วถามว่าถ้ามันตายแล้วมันจะหายไปที่ไหนอันนั้นชีวิตที่ดํารงอยู่ก็เหมือนกับอะไรที่ตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมคือก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วก็หมดไป เหมือนกับอะไรเสียงกลองเนี่ยนะเสียงกลองนี่เก็บไว้ตรงไหนแต่เมื่ออาศัยกลองกับไม้ตีกลองเสียงกลองก็ดังขึ้นเมื่อดังแล้วเสียงกลองเนี่ยหายไปอยู่ตรงไหนไปเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่ได้มีที่เก็บนะเสียงพินเสียงเพลงทั้งหลายที่เขาเปิดเพลงเนี่ยนะก่อนหน้านี้ตัวเสียงจริงๆอยู่ตรงไหนนั่นนะพอได้ปัจจัยเสียงก็เกิดขึ้นพอหมดปัจจัยเสียงก็หมดไปก็ความแตก แห่งธรรมขันทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วสกัดอยู่ข้างหน้าแห่งสัตว์เหล่านั้นนะแปลว่าความตายเนี่ยดักรอหมดเลยนะก็ชีวิตที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก่อร่างสร้างตัวมาขนาดเนี่ยหลังจากเนี่ยเหลือแต่ตายอย่างเดียวนะของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนั้นเดินไปสู่ความตายไม่รู้ว่าจะตายขณะยืนขณะเดินขณะนั่งหรือขณะนอนไม่รู้ว่าจะตายเพราะโรคในส่วนใดๆแต่ว่าความตายเนี่ยสกัดอยู่ข้างหน้า เหมือนด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างนั้นแหละนะนะดักรออยู่ไปหมดอ่ะรอตายอย่างเดียวขันทั้งหลายมีความแตกทําลายเป็นธรรมดามิได้เจือปนกับขันทั้งหลายเกิดก่อนแล้วก็ตั้งอยู่ะขันก่อนกับขันหลังเนี่ยไม่ได้ปนกันหรอกขันทั้งหลายมาโดยไม่ปรากฏแตกแล้วไปสู่ที่ไม่ปรากฏนะะไม่รู้มันมาจากตรงไหนใช่ไหมแล้วไม่รู้มันจะไปไหน ความย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเหมือนสายฟ้าแลบในอากาศชีวิตเนี่ยตั้งชีวิตนี่น้อยเพราะตั้งอยู่น้อยอย่างนี้เนี่ยนะก็อยู่คนละขณะกันนะไม่นานอลยนะอย่างชีวิตของเราที่เกิดมาชาติเนี่ยถามมา น, นานไหมไม่นานเลยนะอีกแป๊บเดียวก็หมดละเนี่ยนะคือถ้าเทียบกับรุ่นเด็กๆนะถ้าเอาเด็กมาคุยด้วยก็เหมือนกับเรานี่อยู่นานเหลือเกินแต่พอนั่งนิ่งๆอยู่คนเดียวเนี่ยนะรู้สึกว่านานไหมล่ะไม่นานแป๊บเดียวเนี่ยนะ พอามาคุยกับพวกละอ่อนทั้งหลายแล้วก็เลยนึกว่าเราเนี่ยอ้ยนานนมนานเต็มทีแล้วแต่ว่าอยู่คนเดียวป้าบเนี่ยทำไมมันเร็วขนาดนี้เนี่ยนะอย่างนี้ละครัชีวิตเนี่ยมันน้อยเพราะว่ามันตั้งอยู่น้อยมากตั้งอยู่แค่ขณะขณะไปชีวิตนี่น้อยเพราะมีกิจน้อยก็คือปัจจัยของชีวิตเองเนี่ยก็น้อยมากานะที่ที่ชีวิตดำรงอยู่นะก็คือชีวิตเน้เนื่องด้วยลมหาย ใ, ใจเข้านั่นแหละนะ พัน้าลมหาตัวลมหายใจเข้ามันมีปัญหาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไปหายใจเอาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะไปหายใจเอาแก๊สเอาแก๊สพิษเอาอะไรสักอย่างไปเนี่ยนะชีวิตจะอยู่ได้ไหมก็อยู่ไม่ได้พันชีวิตเนียเนื่องด้วยลมหายใจเข้าชีวิตเนี้เนื่องด้วยลมหายใจออกถ้าใครนะไม่ไม่หายใจออก่ะชีวิตเนี่ยที่เนื่องที่เป็นไปอยู่ก็ด้วยเนื่องลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ชีวิตนี้เนื่องด้วยมหาภูตรูปนันะเนื่องด้วยาธาตุดินน่ะนะเนื่องด้วยาธาตุน้ําเนื่องด้วยาธาตุลมเนื่องด้วยาธาตุไฟถ้าลองาธาตุสี่มันกําเริบดูสินั่นไงปฐวีาธาตุคือหัวใจมันเลิกเป็นอ่าเลิกปั๊มอ่าหัวใจมันเสียอย่างเงี้ยนะหรือว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างในร่างกายเนี่ยเสียหายไปน่ะนะเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเนี่ย แต่ละอย่างเหล่านี้ถ้าเสียหายไปล่ะชีวิตก็อยู่ไม่ได้หรือว่าธาตุน้ํากําเริบอนะน้ําดีน้ํำเสลน้ําเลือดน้ําน้องน้ํามันข้นน้ามันเล้ยวน้ําไข่ขอนนะน้ําเหล่านั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเสียหายหรือกําเริบก็พร้อมที่จะตายหรือธาตุไฟนี่เกิดแล้วยเย็นจะเยือกขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นนะนะไม่ทํากิจอันนัก็หมายถึงความตายหรือธาตุลมเนี่ยนะไม่พัดอันนะ ลมในช่องทองก็ไม่มีลมในลําไส้ก็ไม่มีลมพัดทั่วสารพางกายก็ไม่มีเนี่ยนะแล้วก็เตรียมได้เลยนะนชีวิตเน้นเนื่องด้วยมหาพูทธรูปสี่แล้นถ้ามหาพุทรูปมหาภูทธรูปกําเริบเมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าชีวิตเนี่ยเสียหายชีวิตนน้เนื่องด้วยไออุ่นไออุ่นก็คือเตโชธาตที่เกิดจากกรรมนั่นแหละก็ถ้าร่างกายเนี่ยอุณหภูมิลดสัก ไปเหลือสัก20องศาเนี่ยนะตัวในเย็น20องศาเนี่ยคิดว่าจะมีชีวิตรอดไหยตายไปแล้วเนี่ยนชีวิตเนี่ยเนื่องด้วยไออุ่นแล้วก็ชีวิตนี้เนื่องด้วยกับพระลิงกราหารเนื่องด้วยอาหารเป็นคําำเนี่ยนะรวมทั้งอยู่ทั้งยาอยู่ด้วยเนี่ยนะก็บางคนเนี่ยอยู่ด้วยยาจริงๆใช่ไหมถ้าขาดยาหนึ่งมือเนี่ยก็แย่แล้วชีวิตเนื่องด้วยอาหารนะทั้งอาหารที่เป็นอาหารคือคำข้าวชีวิตเนื่องด้วยน้ําถ้าหากว่าขาด ตัดข้าวตัดน้ำโดยสิ้นเชิงนั่งนิ่งๆ น, นะโดยเฉลี่ยแล้วคนก็ประมาณเจ็ดวันก็ตายแต่ถ้าให้แต่น้ำอย่างเดียวชีวิตก็เพิ่มไปอีกหน่อยนะถ้าตัดทั้งน้ำตัดทั้งข้าวก็ประมาณเจ็ดวันนี่แหละแต่ถ้าตัดลมหายใจละ่ะกี่นาทีไม่ไ ม, ไม่เกินห้านาทีนี่ก็แย่แล้วนะนะชีวิตเนี้ยเรื่องด้วยอาหารเหล่านี้นะ